คำมาใกล้ตัวฉบับที่45เรื่องสัน้นรักของอินทนินตอนที่สองบริบทที่สนับจากวันที่อินทนินสดับเสียงลึกลับจากท้องฟ้าในครานั้นยามใดที่เขาเผลอไผลสติแม้หลับตาอยู่ในความมืดมิดของรัติการภาพของนางก็ยังคงปรากฏอยู่เป็นเนืองนิดจิตของเขาเฝ้าแต่วิ่งวนค้นหา ทุกตรมไล่คว้าเพียงเงาลวงตาอุปมาดั่งบุรุษหนุ่มผู้ทอดตามองเปลวแดดอันเปล่งประกายรีบเรียบวูบไหวนั้นปรากฏดั่งเห็นพรายแสงผุดของแอ่งน้ำใสทั้งที่บนพื้นมะคาแห้งผาอินทนินใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากว่างเว้นราชการงานเมืองให้หมดไปกับการเฝ้าค้นสัพพตธรราวิทยาการต่าง เขาหวังจะเข้าใจความหมายอันเป็นสะพานทอดยาวไปสู่นางอันเป็นที่รักกริย์หนุ่มแม้ยังทรงพระยาวก้าวขึ้นครองราช ด, ด้วยพระชนเพียง19ชั้ชันษาแต่พระองค์ก็ทรงเชี่ยวชาญการรบแตกฉานในตำรับพิชัยสงครามเป็นยิ่งนักต้องมีตำราใดาที่ข้ายังหาได้ลึกซึ้งเสียงรำพึงดังออกมาจากริมพระโอษบาง กระหม่อมเห็นแต่ตำราของท่านนักบวชผู้ทรงศีลซึ่งอยู่ในอสมชาทรนครชาวบ้านร่ำลือกันว่าท่านเป็นปราชญ์มีปัญญาแหลมคมยิ่งนักตอบคำถามได้ทุกข้ออามาท่ากราบทูลจริงสิเขาโมแต่ค้นคว้าสรรพวิชาทางโลกโดยหลงลืมพุทธธรรมเสียสนิทบางทีปริศนาที่สร้างความผวงสงสัยแกิ จ, จิต มองเห็นคำตอบเพียงเงาลางๆประดุดเหลือบตามองปลายจมูกนี้อาจต้องอาศัยปัญญาทางธรรมที่จะศาสแสงกระจา่า <L ess> งเวลาเพียงชั่วเคี้ยวหมาแปลอินทนินและองคารักคู่ใจก็ควบม้าฝีเท้าเร็วปานลมกรดของตนตะบึงไปถึงจุดหมาย ภิกษุชรามองร่างองค์อาจที่นั่งอยู่เบื้องหน้าด้วยความเมตตาท่านเล็งเห็นด้วยอนาคตังสยานถึงชะตากรรมในอนาคตชาติของเวนัยสัตว์ผู้ซึ่งท่านพึงปรารถนาจะปรดให้เขาได้หลุดพ้นจากวงไพเวนมหาบาพิตรรูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาไดยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแต่ สังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลเป็นจกขันทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นของว่างเป็นของเปล่าไร้สาระแก่นสารอินทนินนิ่งอึง้งเสียงทุ้มกังวานเจือด้วยกระแสนุ่มเย็นแผ่ซ่านมากระทบจิตให้สงบดิ่งลึกลงไปในสมาธิ เขาหวนระลึกถึงวันที่ได้เห็นนางที่น้ำตกในวินาทีนั้นอินทนินรู้สึกเหมือนตนกำลังเดินย้อนกลับไปที่เก่าความทรงจำในอดีตเหมือนภาพที่กระพิบไหวสั่นระลึกไปมาค่อยๆปั้นแต่งรูปกายอันลางเลือนของนางให้อุบัติชัดขึ้นอย่างช้าๆในดวงตาเขารู้สึกได้ถึงแรงทยานยึดอันมหาศาลก่อตัวอัดแน่นเป็นก้อนพุ่งเขา้าเกาะรูปนั้น พร้อมกับความสุขที่ผุดขึ้นเอ่อล้นอกแต่แล้วทุกสิ่งก็สลายวับดับวูบลงปรากฏเพียงความว่างเปล่าในพริบตาพร้อมกับสติที่บังเกิดขึ้นรู้ปัจจุบันของตนอินเทนินรู้สึกเหมือนลืมตาตื่นจากห้วงนิทราอันยาวนานเป็นครั้งแรกแต่นางสัญญานางจะรักค่าทุกภพชาติและค่าจะจดจานางชั่วนิรันด์กริย์หนุ่มรำพึงด้วยความสนเท่ อยยิ้มยังปลอบโยนปรากฏบนดวงหน้าของภิกษุชราก่อนที่ท่านจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทรงพลังหนักแน่นมหาปพิธหลับพระเนตรลงแล้วสำรวมจิตให้ตั้งมัน่นอจตมาภาพจะให้ท่านได้พบนาบริบทที่4แสงสว่างดวงเล็กๆค่อยๆผุดขึ้นในความมืดของคลองจักสุ ก่อนที่จะกลับกลายเป็นดวงใหญ่สว่างเจิดจ้าบาดในตาจนร้อนผ่าดุดดังลำแสงของดวงอาทิตย์เขากระพริบตาไปมาสองสาครั้งแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นวงแสงนั้นคลี่ขยายออกเป็นม่านฟ้าสีครามอ่อนกว้างใหญ่สุดสายตาโสดประสาทที่สงบนิ่งของเขาเริ่มเกิดการเคลื่อนไหวเมื่อสัมผัสได้กับกระแสคลื่นเบาบางที่กาลังเกาะตัวชัดขึ้น แลแปลเปลี่ยนเป็นความดุดันกรียดกราดอย่างรุนแรงจนทําให้มวลอากาศรอบตัวขมวดเกลียวตึงเปรี้ขึ้นในทันใดเสียงพลึบพลับกระพรือปีกของนางเหวี่ยวดังก้องมึนเสียงของมัจจุราชสายตาของนางจับจ้องไปที่จุดเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่บนพื้นดินเบื้องล่างด้วยสัญชาตญาณของนักล่านางมองเห็นอาหารอันโอชะรออยู่ไม่ไกลจุดเล็กๆที่รวมกลุ่มกันอยู่นั้น แตกตื่นวิ่งหมีกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเสียงร้องเรียกกุก๊กกุ๊กดังลั่นสลับกับเสียงร้องเจี๊ยบเจียบอละหม่านไปทั่วลูกไก่หลายตัวรีบหลบเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกแม่หรือเพียงเขาที่ยืนนิ่งตัวสันเทามองดูเหตุการณ์เบื้องหน้าอย่างตะลึงงนันนางเหยี่ยวพุ่งตัวลงมาโฉบเข้ากลับรังอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนฝันร้ายนั้นเขาเห็นร่างเล็กๆของตนพยายามดิ้นรนหนีจะงอยปากแหลมอย่างหวาดกลัวในขณะที่กรงเล็บคมกริบจิกฝังแน่นลงในเนื้อความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโยคลอนสติของเขาให้กำลังหลุดลอยแต่โทสะที่พุ่งขึ้นอย่างสุดระงับทำให้เขาเพยอตามมองศพเจ้าของร่างที่ยืนค้ำทำงานอยู่อย่างอาฆาต แสงแวบวับราวประกายดาวระยิบระยับออกมาจากแววตาดุร้ายคู่นั้นช่างดูประพิมพ์ประพายเหมือนใครคนหนึ่งอย่างน่าประหลาดแล้วในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตความทรงจำที่เหมือนถูกลบหายไปนานของเขาก็พลันฟื้นกลับคืนมาบริบทที่5ภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าดับวูบลงแทนที่ด้วยลำแสงสว่างอ่อ น, ออน เจอด้วยความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลอยู่รอบกายเขาอินทนินเอื้อมมือลูบกายตนด้วยความรู้สึกตื่นตระหนกสัมผัสแรกบอกเขาว่านี่คือกายอ่อนนุ่มของมนุษย์ซึ่งมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์และเขายังไม่ตายเนตรดาวจิตของเขาตะโกนก้องเขาได้พบนางแล้วหลังจากเฝ้ารอคอยมาแสนนาน แต่มันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดอย่างแน่นอนเขาและนางกลับไม่ใช่มนุษย์และที่แสนร้ายกาจยิ่งนักนางผู้สัญญาจะรักเขาทุกภพชาติกลับไม่อาจจดจำเขาได้แม้แต่น้อยสิ่งที่พระองค์เห็นคืออนาคตตากระแสเสียงเปลี่ยนเมตตาของภิกษุชราทำให้จิตที่กำลังสั่นสายของเขากลับคืนสงบนิ่ง ภพชาติคือการลืมเลือนมันคือกฎแห่งธรรมชาติติปิดบังสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้แต่พระองค์เคยบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีมาแต่ปางก่อนคำอธิษฐานขอจดจำนางไว้ด้วยจิตอันแน่วแน่มีกำลังหนักแน่นของพระองค์จึงส่งให้สำเริจผลอินทนินรู้สึกสลดหดหูจะมีประโยชน์ใดเล่า ในเมื่อพบชาติที่เวียนมาบรรจบเขาและนางหาใช่คนเดิมอีกต่อไปรูปกายใหม่ความทรงจำใหม่ดำเนินไปตามกรรมแห่งตนพลังเผลอทำร้ายบีดเบียนกันโดยความไม่รู้ข้าควรจะทำประการใดเล่าจึงจะเกิดเป็นมนุษย์ในภพบเบื้องหน้าเขาเอ่ยถามยังหวาดวิตกดูกรมหาปพิษมนุษยศธรรม ธรรมที่ให้ผลกำเนิดเป็นมนุษย์นั้นคือศีลห้า 1. เว้นจากทำลายชีวิต 2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากพูดเท็จ 5. เว้นจากของเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อินทนินนิ่งงันตลอดเวลาเขามุ่งแต่พุ่งรบก่อสึกหวังกำรับแก่นงแควนใหญ่น้อยกล้าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนไม่เคยเว้นว่างแม้สักเวลาเดียวหลายคราที่พาทับอบล้อมต้อนศัตรูจนอ่อนแรงหมดทางหนีถูกเกาทันประหัรประหารล้มตายเป็นเบือเช่นนั้นเบื้องหน้าเมื่อกายแตกเขาคงมิพ้นจากอวัยภูมเป็นแน่แท้ ยิ่งหวนคิดอินทนินก็ยิ่งหวั่นวาวในอกดั่งจะยังรู้ถึงห้วงคำหนึ่งของกษัตริย์หนุ่มผู้ทรงศีลแสดงธรรมประหนึ่งจุดประทีปฉายแสงส่องสว่างขับไล่ม่านเมฆดำทะมึนที่เคยบดบังในจิตใจของเขาให้อันตรธานไปในทันใดนั้นดูกรมหาพพิตรเตระฉานนั้นก่อพบจากโมหะความหลง ความไม่รู้ตามจริงอันขจัดได้ด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นประจักษ์แจ้งแลหากพระองค์ครุ่นคำานึงพะวง์ถึงแต่อกุศลกรรมเก่าอันเปรียบเสมือนล้ อ, อกเกวียนที่เวียนบททับบนพื้นโคลนอ่อนนุ่มฉะนั้นก็รังแต่จะทําให้รอยทางปรากฏลาดลึกลงไปอีกยังจิตใจให้เศร้าหมอง อดีตกรรมส่งผลเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือเหตุใกล้แห่งอนาคตหากพระองค์ปรารถนาสุขติพบในเบื้องหน้าก็พึงเร่งสร้างสมเหตุปัจจัยเสียแต่ในปัจจุบันละการบัดนี้เถินบทอวสานเสียงไก่ป่าขันดังแววมาจากราวป่า รับแสงทองของอรุณรุ่งที่กําลังทอประกายทะลุเมฆขาวส่องสว่างเป็นลํายาวลงมาเบื้องล่างน้าค้างหยุดเล็กๆเกาะพราวอยู่รอบๆพุ่มดอกมะลิหอมกลุ่นกังเขนดงตัวน้อยส่งเสียงเจ้ยแจ้วกระโดดเล่นอยู่บนกิ่งไม้มองลูกนกเล็กๆกําลังซุกไซด์ขนอยู่ในรังถัดไปไม่ไกลนะักทานน้ําใสสะอาดมองเห็นเม็ดทรายขาวละเอียดที่อยู่เบื้องล่าง กำลังไหลพิ้วกระทบขดหินน้อยใหญ่กลุ่นกลิ่นไอดินหอมโชยมาตามสายลมอ่อนภิกษุหนุ่มยืนอยู่หน้ากุฏิหลังน้อยกลางป่าใหญ่ท่านเหลือบแหลไปรอบกายด้วยจิตอันประพัดสอนประดุดดั่งจันทราที่ส่องสว่างนวลเย็นปราศจากแล้วซึ่งเมฆหมอกของอวิชชาที่เคยบดบงังท่านคืออินทนิลอดีตกษัตริย์ผู้เคยได้เล็งเห็นอนาคตชาติ ตระหนักถึงภัยเวรของการเร่ร่อนวนเวียนในสังสารวัฏในครานั้นและได้วางแล้วเสียซึ่งสัตวุธและฐานันดรชาติอันสูงส่งห่ผมผ้ากาสายะบวชเป็นบรรพชิตดำเนินอริยมรรคแปดและปฏิบัติตามหลักมหาสติปฐานสูตรดำรงอยู่ด้วยวิหารธรรมจิตตราบจนการผ่านพ้นมานับได้เจ็ดปี ท่านกำลังน้อมกลายกราบลงไปในทิศที่ครูอาจารย์ผู้จุดประทีปแห่งธรรมเดินทางจาริกไปด้วยความเคารพเมื่อเหตุปัจจัยอันปัจจุบันการสร้างสมด้วยดีแล้วบริบูรณ์แล้วบัดนี้ท่านได้รู้ชัดแล้วว่าอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิเลสอันเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพนั้นได้หลุดพ้นแล้ว และท่านหาได้มีอนาคตชาติสืบต่อไปแล้วไม่เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรศิษฐ์กวินชัตรานนท์และนพดลพาณิชชการ